ทำทานมือใต้วางบนตักยกมือขึ้นใสหัวแล้วมือใต้วางบนตักหัวทับมือ้า้รับตาเบาๆปิดหูใช้าหัวก็จะเหมือนปิดตาสองข้างปิดปากรับบ้านะล้นั่งดูบุญดูสวรรค์ก็มาได้ดูบุญก็มาได้ถ้าเห็นบุญก็เห็นสวรรค์ สวนในออกนรกในใจดูใจก็ได้ใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ลมถ้ามีลมกมมีใจถ้าไม่มีลมใจคนนี้ตั้งใจดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้เห็นลมชัดๆ้าดูลมช้าๆ้า ไม่แยกไม่เงี้ยทัย้ทงรอบไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยหลวงปู่พาทำบุญดูลมเข้าลมออกอยู่เงียบๆปิดหูใส่หัวปิดตาสองข้างปิดปากซะบ้านแล้วนั่งดูบุญไม่ได้ยินเลยปิดหูปิดตาปิดปากนั่งดูบุญลมเข้าลมออกเหมือนบุญอยู่ที่ลง ใช้เวลาแล้วยกมือขึ้นใส่หัวฟังอีกิฐพิน่อยก่อนได้ทาแล้วอาหารเราไม่ได้ฟังอิฐก็จะไม่เข้าใจกัาว่าทำบุญทำบุญคืออาหารใจมีใครแปลฮะนะ d i t a t i o n is food for your mind. <laughs> Generosity, food, donation is for your body. ในตัวเรามีสออย่างหนึ่งกายใจ Your self consists you of two parts. One is your body. One is your mind. แต่ส่วนมากเราไม่เข้าใจคำว่าทบุญ Most people don't understand the word boon or merit. เอาของมาถวายพระ ก, ก็ว่าทำบุญ uh, not true, เอาของถวายพระของถูกต้องตามหลักศีลธรรมได้บุญถ้าไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมได้บาป uh, uh, ทาให้พระเกิดกินเลสได้บาปซะ ปิดเมฆเด e กมั่งหมอกเทพิงพระเจ้าหาศีลหาธรรมมาหกปีจึงได้จัดตรูปมาสอนคนน้าโยมควรทำอะไรทานศีลบุญปัจจุบันนี้ มีแต่ทำทานศีลก็ไม่ค่อยรักษากันบุญก็ไม่ค่อยทำกัน Now today, only a, a จะไปดูที่ไหนจะเห็นว่าศีลไม่รับบุญไม่ทำไปดูวันพระจะไปดูหน้าเจดีที่วัด temple not a lot of people to accept the a c r i s t a n โดยเาประเทศไทยถึงวันศีลวันพระจะยมยมวันพระแล้วไม่ไปวัดหรือผมยุ่งผมไปไม่ได้ผมยุ่งหลวงพ่อว่าผมมันยุ่งหมแท่ผมว่า เห็นไหมคนเรายุ three, three one, one ่งย <cross> ุ่งกับผมผมหัวเดียวขนหัวเดียวสามสีสี่สีลูกหลานทุกวันเพราะอะไรล่ะเพราะอยู่ด้วยความจอมปลอม อยู่ในโลกอันนี้โลกอันนี้คือความมืดใจของคนมันมืดตาสว่างอยู่ใจมืดเพราะฉะนั้นโลกนี้คือหมู่สัคว่ของอยู่เป็นนิดอยากล่ำอยากรวยอยากเวยอยากน้ํามหาเท่าไหร่ก็ไม่พอ ไม่ใช่เอามารับประทานอาหารอย่างเดียวเอามาปรุงเอามาแต่งเอามาดัดเอามาแปลงอย่างน่้นอย่างนี้อย่างนู่นอย่างนี้นี่เรื่องร่างกายทำให้ยุ่งทั้งฐานร่างกายมันยุ่งฟาลาฮาเวปันจัดขันพาขันห้าาอนี่มันยุ่งคนเราก็ยุ่ง Keep busy with body. ที่ไม่ยุง่งทำไมไม่ทำดูลมหายใจเข้าออก so รู้ไหมในตัวของเรามีสองอย่างหนึ่งกายสองใจ so บางคนอาจจะไม่เคยดูสติดูอะไรดูใจดูสวรรค์ Uh, look after their mind. นั่นละถ้าเห็นใจก็เห็นบุญนั่นแหละเรียกว่าทำบุญเพื่อดูใจ so look after their mind. That is the true m o n e อาหารใจไม่ได้ซื้อรักษาใจไม่ได้ซื้อแต่ใจไม่ได้ซื้อรักษาใจไม่ไ You don't need to pay for it. เห็นไหมเมื่อกี้พาดูเมื่อกี้เห็นไหมสวรรค์ o so you see that uh, the true happiness when you do meditation. Nah, sukoon ying, wah, kawm sanggob, not mii. Kai patong kai kom suk, kai p n t h a n o greater happiness than the peaceful mind. Nah, seen mii? Koi lao choat yung, mii ta ่ t o u say you spend too much time and money t a k e care of your physical body. Dan baem, d ma, t o แต่นตนแต่งตัวร้านประประดาทำให้เป็นโรคภัยไพเจ็บทำให้เป็นโน่นเป็นนี่ทำให้จมูกอักเสบทำให้ตาอักเสบทำให้เนื้อหนังมังสังอักเสบเพราะฉะนั้นเวลาจำกัดนะ พไม่รู้กี่รูปประเทศไทยวัดไม่รู Canada, ้กี่วัดเวลาจ่าโจงไปทำบุญย่อมมาอะไรมาถวายทังกะพันธ์เจ้าข้าเชิญทุกตุกเกียรติยานเชิญถวายทังกะพันเชิญตรวจน้าก็ได้แค่นั้นแต่นี่เาทำบุญ ถ้าไม่สอนทำบุญยาโจงก็เลยไม่มีสติไม่มีปัญญาทำบุญคือทำให้จิตนิ่งจิตนิ่งเขเรียกว่าสมาธิเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญามีความรอบรู้สุขทุกข์เป็นยังไงมอนิติเทชันอิมพูดเพ a ่อ your mind calm a ค d peaceful สุขคือสวรรค์ทุกข์คือนรก uh, เอาแฝงให้เข้าใจง่ายๆนรกเกิอะไรร่ำรวยสวยงามร่ำรวยเกิดความโลภสวยงามเกิดความรักรุ่นลมเข้าออกรุลมเข้าออกสบายไหมหนุ่มจิ๋น When you meditation, you calm your mind. l e your mind peaceful. You don't think about wealthy and beauty. มีมูที่ไม่เคยูล So have you ever done meditation before? เกิดมามีบ้าง If anyone never done meditation before. เวลาดูสังขารร่างกายล่ะไม่รู้เท่าไหร่เงินรายวันรายเดือนค่าแรงสามร้อยสก็ไม่พอใช่ เป็น too much money t a i a r of your body and never have enough money แต่เท่าไรรักษาเท่าไรก็เท่าก็แก่ก็เจ็บก็ตาย your body is not permanent it have aging illness and finally die สวัสดิ์ทุขเนกรุ่งเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์ออกครอจมมันสินมัระทรักแสังขาของรายสังขารนั้นสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่แก่แล้วแก เจ็บเจ้าตายพ่อแม่ปู่ย่าตายตายไปได้ไปไหนล่ะเอาอะไรไปด้วยผมเส้นหนึ่งก็เอาไปด้วยไม่ได้อยากให้ผ่อนลงไปเถอะการทานผ่อนลงไปเถอะการดูายอยากให้มาสนอกสนใจพลาดดูใจ To do less generosity, less donation, but do more of meditation. Look after your mind. i n t o u t h a s food outside. ten o u n d o n t s never finish. e o d s a d It's a r t s food for your body. i a o o o b o d i s f o d r your b i t d y y t it? o d f o o u o d i t a f o d o r your body. It's i t o o f o o d i s a f o r your b o i d y u y t o your b o d i t a o t d o i o f o o d i t f o r your It's f d r y y o u o t d o i i t It's f r Your mind continues, never dies. But to man, ne, ham alai vai. So now what y o u doing? If ham bun, sian kivit l e o ko dai bun. When you make merit, the m a r i t to continue with you. If not ham bun, sian kivit l e o dai ba. So uh, you have o merit. When you pass away, m t the badness go with you. Go to h e l Rakaoyai mai? You may go to a hell. You know hell? ก็บอกเรื่อเมื่อกี้เลยรำรวยกับสวยงาม น, นั่นแหนะนก oh, so and รกแล้วมาจากจุ้ง ใ, ใรก็มาอยู่ที่นี่แต่ร่ดรวยไม่ใช่หรือร่ำรวยมาแล้วก็มาแต่งเล็บแต่งผมแต่งขนแต่งหนังแต่งอะไรเล็บมือเล็บเดียวทำสิสิสิที่มาที่นี่เพื่อทำเงินที่นี่ o พื่อ o ำควา your, your physical body เช็เล็นลูกหลานอยู่เมืองไทยหรอกแต่มาอยู่เมืองนี่เขาไม่มีมันนะะเชียนเชี่ยวทาตาขนตาแตนกมูเดบเมคอัพแดีีเมืองไทยปีนี้ในกรุงเทพเหรอกชี่ปุ่นเยวะไปไหนมาไหนปิดกมูกไว้<บ>ถูกใจหลวงพ่อแล้ว พระไม่ได้โชวจะง้อที่ไทยด่ปา่องนั้นคนปกูยลเตอร์ดังนัดจมูกไมระานะพระเจ้าได้ตรัสรูปพระพระเจ้าทำบุญนี่อยากให้พระสงสอนญาติโยมทำบุญ The Buddha enlightenment because of meditation, not donation. Than, o n d ลงไปีก็ได้ o t less generosity, less donation, and and uh, lunar day except uh, uh, moral i t y เดือนนึงมีวันพระวันพันามีวันพระวัน So uh, one month is four lunar days and one wasa is twelve lunar days. ไม่เชื่อหรือพระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนคนเราเป็นคนไหมส่ว so uh, นาดเนาดบุตรที่ชิงอิสปอร์ people number people อยากไม่ใช่สติใช่ปัญญาดาากิเลสฆ่ากิเลสนั่นเห็นไหมล่ะฆ่าไม่บาปคือฆ่ากิเลสกิเลสคืออะไรลักโรค so, uh, วันศีวันพระไปอะไร้วไปฆาที่เดชไปวัดไปทําบุญไม่ใช่ไปพูดเรื่องลูกเขยลูกสาวถ้ามีปัญญาคนโน่นคนนี้เป็นหนังน่นอย่างนี้ไปนั่ <c oughs> นงสมาธิทําบุญให้จิตสงบแล้มีปัญญาว่าร่ำรวยเป็นยังไงจรงว่าเป็นอารกสวยงามเป็นยังไงจึงว่ามันเป็นอารกจิตสงบนิ่งทำไมจึงว่าเป็นบุญ กาไปดูซะ ก, ก่อนไปทำซะ ก, ก่อนไม่ดูไม่เห็นไม่รู้พราคุณปที่แเตคุดูมดิเทชันอาเคใมดูยมายมยสงแาอ่มดาววักจิตตังมทาตใจทุกดวงยังสัมภเวสีคือหาที่เกิดนั่นนะอยากมาเกิดเป็นมนุษย์อยากพบพรธศาสนายากปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอี ก, ก s p i a l world when, when you before you born in this world your s p i a l is n to come to born in this world that to learn the Buddha teaching and want to reborn again ทุกที่สุดคือหาที่เกิดถ้าเกิดไปแล้วก็ได้รู้ใจนะไปเกิดกับลกูกกับหลานเกิดม็ได้เขาคิดเกียงเรียน Nowadays, it's more difficult to, to revert because of uh, people don't want to have more kids. When they come, the government, the ministry, the local head of government in the p r i n go and a s e n t h o n when t e r e c o i a c k to o l h o u e ask, y e i They a e w i d e e d a c c i n g to the t h the e e e e h a t h e r n a h o you pass a w e y t h e w h t i y r e g o n a n y o u g to h a v e s You n you never done meditation before, have you never done uh, calm your mind before? Are you m i g i t s t do already. How e r Never. Never. Never. Never. Never. Never. Never. n e v Never. Never. Never. n e v t r n e v o r e v o r Never. t e v e e v o r r e n n e n n e n n r e n n r e n e e r e n e r เพราะจะนันจึงปากไว้นนมันไม่ได้ซื้ออาหารใจเราอยู่กับลมถ้าไม่มีลมใจกว่านี้แหละทำไมจู่ว่าจะดูไม่ได้ดูไม่ได้เขามีปัญญาคาดที่หละคือสิ่งที่ดูไม่ได้สิ่งที่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอน Don't believe what it w a man t e you. You have to believe, trust uh, Buddha. t e y said t h t no no t e a c e r e b u h a i in your a r t Listen o t h a c e t o w e took e words t Buddha and a ละครเป็นอะไรแล้วพระพุทธศาศสนาดาโร่ด <c oughs> ้เห็นกันทุกคู่ทุกคนไม่ไหรือว่าพระพุทธเจ้าหาสินธรรมทุกข์ยากลำบากตัดตาเพื่อสองคนทำไมเราไม่ขยันจุดนี่แล้วไม่งั่นเสียใจหาที่เกิดไม่ได้เพื่อน่าทุกคนหลนอคนนังชมลูกหลานจะสิพี่น้องเสียสละมารวมกันแสดงออกถึงความปมนองสมานสามารถกนั่ง ใ, ใจเดียวกัน เมื่อตอนรับพระเจ้าพระสงฆ์อกแม่ครูอาจารย์ที่จำพรรษาอยู่ทางอังกฤษศาสนาหามาโปรดออกตุนได้โจมโดยเฉพาะใเทศอาจารย์ขอพรรษาพระเจ้าประสงค์ขอไปได้ทหารมีออกตุนได้โจมจะสิ่งนั้นลูกหลานมีความประสงค์อยากจด้ยินได้ฟังตัววาดทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงเลยสาหามาอย่างนี้ก็ระยะหนึ่ง สิ่งสำคัญที่สุดหลวงปูป่ก็จะบอกเนี่ยหนักก็คือภาครติบัตดหรือภาวนาหรือคําว่าทาบุญความหมายตีอะไรอย่างทานศีลบุญทานศีลภาวนาโชคือนิ่งกลควกลมสงบไม่มีเอาทำไม่ดูทำดูติดทํ า, บ, า, บ, า, บ, าบ่อยๆบั๊กครับใจทําบ้านการหลับการนอนท่านแม่เล็กดูลมหายใจเขออกสิบขั้นไม่ยอมนอน ว่าลงไปนะพระบุญเจ้าเป็นตัตสรูเพราะพระบุญเจ้าตั้งสัจจะเราก็มีสัจจะที่ถ้าไม่มีสัจจะไม่ได้ทําแน่เห็นใจไหมฉันทําไม่ได้ฉันไม่มีบุญฉันทําไม่ได้ฉันไม่ได้บวชพระบุญเจ้าไม่ได้สอนแเฉพาะผู้บวชสอนคนผู้มีความเชื่อมั่นในศีลในธรรมผู้มีความเชื่อมั่นในบาปในบุญ เรารู้จักอ้บ า, าเป็นยังไงทำดีเป็นยังไงทำชัว่วเป็นยังไงอะไรก็ทำดีทำดีป่นขี่ฆ่าป่นขโมยคดกองกันดีไหมล่ะถ้าไม่ดีเขาทำทำไมเดือนจำอยู่จังหวัดไหนเต็มไปหมดแน่นไปหมดก<ะ>มัมืองไทยมืองพดทํทำไมเป็นอย่างนั้นต่างชาติไม่ไปเที่ยวร่ลำรวยหน่อยไปคตไปกงเขาไปงานหน่อยไปคมขืนน้านใจเขาผมขืขขนไปแล้วค่าด้วยอยู่ไหน เอาเป็นผูงลง้ล่มโพล่มใส่ใสใบบุญหลักพระพุทธศาสนาแต่แรกเป็นอย่างนั้นมันน่าลายนะไม่ใช่ตำงนิตามเหตุผลแล้วหลวงพ่อก็เกิดในเมืองไทยแต่มันน่าสำหรัทั้งปวเทศุนนี่นะน้าสำหรับทั้งปวะเทมากเราคิดดูแล้วตั้งที่พทธเจ้าหาศีลหาทรตนทุตนามารลำบากตาดตอมสี่หงไขกับกำไรแสนมหากรบกว่าจะได้เป็นพเจ้ามาสองคนเอาที่ไหนได้ บ้านไม่ได้เช่าเข้าไม่ได้ซื้อสอนในผู้ปฏิบัติไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกหรือไม่เชื่อจุดนี้ถ้าเชื่อแล้วทําไมไม่ทํานั่นลองดูเถอะมาได้บุญอยู่ได้บาปขาดทุนเรามาได้บุญเน้ะนะเราอยู่ด้วยบุญไหมความเป็นอยู่ปัจจุบันอยู่ได้บุญไหมได้ดูไหมทําบุญเข้าใจไหม ว, ว่าทําบุญคือทําจิตที่นิ่ง ไม่ใช่ขนของไปพระยุ่งขนของไปพระ ก, กิเลรเกิดกี่เลรียญนะทําให้เขาเก่บอกว่าเอาของไปถวายพระของถวายพระพูดไปทําบุญโกหกกันฮะไปทําบุญก็ต้องไปเข้าไปนิ่งให้สุขในใจนานถามยาทั้งรวมกายส ก, กัดทั้งรวมวาจาที่มีนาศกาลเลยนะทั้งรวมใจดูลงเข้าลมออกนั่นเรียก ว, ว่าไปวัดทําบุญไม่ใช่ไปหายุ่งกับพระสงฆ์ พฤติกรรมดอหไม้นี่เห็นไหมล่ะหลวงปู่ไม่ให้มีดอกไม้ทุบเทียนเด็กขานี่ชมของพวกเราเราไปห้องข้าโต๊ะบุกงามโต๊ะมุกงามมีแต่ขันดอกไม้แห้งเต็มไปหมดแยกลันดอกไม้ทุกเกียนเต็มไปหมดเจ้าสอนในลูกหลานมันหลงขวัเจ้าตอนในเอารมณ์นี่นมันงงขึ้นให้เป็นดอกบัวไม่ต้องไปหาซื้อแล้วไปวัดกา ด้วยการกาด่ายกมือต่งมั่ ง, งามงานกาดถทไฝายถว า, ายดอกบวัวแล้วเวลากลับถือกลับป้อนในประเทศไท ย, ยหาซื่อรอกบัวไปใส่แกงกันเอาไว้เอาน้าไปใส่นนอนนไไสองสามวันเน่ายุ่งไ่ใครใส่ต่อคนได้ปุณหรือได้บาดนล้วทำไมท้านิย ม, มันเป็นต้องไม่พูชาในเาคนไม่มีปัญญาคนเราชอบยุ่งชอบยุ่ง ฝากไว้นะะ ม, มีอะไรเยอะแยะเราเดื่องหน้าคุณกุศลตนเจ้าจงลูกหลานได้เสียตลาดมารวมกันได้เป็นบุญกุศลบุญกุศลตัวนี้บุญกุศลก็คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงหลวงปู่หลวงพ่อได้ปฏิบัติมาแก็จะมารวมกันจงปกป้องปกปักหลักษาตนเจ้าจงลูกหลานจิตพีน้องจงมีสุขคนสุขเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยําง <c oughs> านทุเรศกัร ไัฏฐานที่หนึ่งไดจงสำเร็จจงสำเร็จสำดำความปัฏฐานจงทุกประการเถยะาบริวาราประบริรนติสาเอวมวัยโตจินนังเปตานังกุปปะชตังปะิัตุังติพเมวะสมิปัตุสเถรปุรนตุสังตุปะ ตัณโทปนราโสญาธามณีโชติราโสยาธาอภิเษยมเวรวะท่า